ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอให้จีวรแก่ภิกษุณีจริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุภิกษุณีนั้นเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติภิกษุนั้นทูลรับว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าขา้า พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษภิกษุผู้ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมความน่าเลื่อมใสหรือไม่น่าเลื่อมใสของที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่ของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติโมฆะบุรุษฉนั้นเธอจึงให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติเล่าโมฆะบุรุษการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้